มีกี่รูปในหาทยารูปทั้งหมดมีสี่สิบสี่รูปก็คือไม่มีปราษาธรูปกลุ่มเอ่นเลยมีเฉพาะมีเฉพาะอะไรมีเฉพาะหาทะหทยะภาวะกายเอ้ห้าสิบสี่เหมือนกันนี่ห้าสิบสี่เหมือนกันนะ แต่ว่าไม่ปราษาทรูปอย่างอื่นไม่มีนะจกักุโสตะค า, านาชิวหาไม่มีเพิ่มหัตถยะเข้ามาแทนทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้แต่ว่ามโนในที่นี้เนี่ยเน้นอะไรรู้ไหมเน้นภวังนะมโนเนี่ยได้แก่ผวังนะที่ว่าอายตนาภายในเน้นพวังขจิตภวังขจิตที่สัตว์เกิดมานี่นะถ้าอบายทั้งหมดเลย เกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะมนุษย์ที่บ้าบ้าบอดหนวกเทวดาที่บ้าใบ้าบอดหนวกก็เกิดด้วยอุเบกขาสันติระมนุษย์และเทวดาผู้มีบุญทั้งหลายเกิดด้วยมหาวิบากพรหมเกิดด้วยรูปประชานอารู ป, ปรพรหมเกิดด้วยอรูปประชานถ้าหากว่ารู้จริงๆก็ต้องสงเคราะห์มโนคือผวังเหล่านั้นลงผวังนะมโนหรือมโนสโมทุทัยมโนนิโรธมโน นิโรธาหนาึ่งนี่ยเาเรียกว่ามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นมนุษย์และเทวดามนุษย์นี่มีรูปเหมือนกันไหมหกสิบกว่าล้านเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดนิสรณนะอาสาทก็ต่างและผ ว, วังเนี่คือผวังเนี่ยนะถ้าหากว่าเขาทํากิจเคลื่อนจากภพเรียกว่าจุติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยผวังที่สืบเนื่องเนี่ยเพลินนะเหมือนไม่ตายเลยนะที่จริงไอ้ผวังเนี่ยถ้าทําจุติก็หมดแค่นั้นแหละ แล้วใครล่ะจะรู้ว่าจุติจิตจะเกิดเมื่อไรที่จริงก็พวังนั่นแหละทีนี้ต่อไปวิญญาณทิติเจ็นะวิญญาณทิติเจ็นั้นกล่าวถึงวิญญาณที่ตั้งอทิติปแปล ว, ว่าตั้งการตั้งอยู่ของวิญญาณเจอย่างอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่ามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นมนุษย์และเทวดามนุษย์นี่มีรูปเหมือนกันไหมหกสิกว่าล้านเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดไหม ไม่เหมือนนะกายก็ต่างแล้วสัญญาล่ะปฏิสนธิจิตเนี่ยเก้าดวงนะแตกต่างกันไปตามสมควรแล้วก็แต่ละดวงก็มาจากคนละอารมณ์สรุปแล้วคนละเรื่องเลยนั้นกายต่างสัญญาต่างกายต่างสัญญาเหมือนก็มีอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีกายต่างกันแต่ก็มีสัญญาคือปฏิสนธิจิตประเภทเดียวกันหรือว่า กายเหมือนแต่สัญญาต่างอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะกายเหมือนสัญญาต่างก็เช่นพรหมบางชั้นเนี่ยนะบางอย่างก็มีวิตกบางอย่างก็เออบางอย่างมีวิจารณ์แต่ไม่มีวิตกบางอย่างก็มีไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารณรูปร่างกายนี่เหมือนกันแต่ปฏิสนธิจิตต่างกันพรหมชั้นสูงไปกว่านั้นอีกเช่นพวกเวหัพลาพรหมเนี่ยมีกายเหมือนกันมีสัญญา เหมือนกันเอกะตาะกายเอกะตัสัญญาหรือเอกะตัสัญญีทีนี้ก็อากาสานัญญยตะนะวิญญาณนะัญญยตะนะอากากินัญญยยตนาเจ็พอดีเลยเนี่ยนะนับทันก็ทันนับไม่ทันก็ไปเปิดเอาแล้วกันในมหานิทานสูตรมหานิทานสูตรทีขณิกายมหาวัฏวิญญาณทิติเจ วิญญาณทิติเเนี่ยนะวิญญาณทิติแต่ละอย่างก็ประชุมอริยสัจลงไปในนันาณาตกายะนานาตสันยีเนี่ยนะก็สงเคราะห์อันนี้ลงนาณาตกายานาณาตสันยีนาณาตกายะนาณาตสันยีสมุทัยไงนะนาณาตสันยีนิโรธแล้วก็นิโรธคารไม่มีปฏิปทา ถ้ารู้จริงก็สามารถที่จะรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัศธ า, ารู้อาทีนวะและนิสรณะของสิ่งเหล่านี้ด้วยจึงกับชื่อว่ารู้จริงๆพระพุทธเจ้ารู้สิ่งเหล่านี้จริงหมดเลยนะนะมองชีวิตของสัตว์ประชุมชีวิตของทั้งหมดลงอริยสัตว์ได้หมดแล้วไม่มีส่วนใดที่พระองค์ไม่ทรงรู้ไม่ทรงทําให้แจ้งเ น, นี่ยนะอันถ้าไม่ได้ก็เสีย ใช่ๆโลกแปก็คือโลกกะระทำแปดนะเราเสียหรือเราได้พูดอีกใ น, นหนึ่งนะสมมติว่าถ้าเราเปิดไฟเนี่ยนะมีสองอย่างคือได้กับเสียยังไงก็ต้องจ่ายค่าไฟอยู่แล้วถ้าเปิดตักเนี่ยจ่ายอยู่แล้วเสียอยู่แล้วมันได้รับคําัตยถ้าประกอบอาชีพแอย่างเนี่ยนะนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสิญแล้วก็สุขทุกข์ก็บอกว่าโลกเนี่ยเป็นไปตามโลกกะระทำ โลกกระทำเนี่ยหมุนไปตามโลกโลกเดินไปตามโลกกระทำมันก็หมุนกันอยู่อย่างนี้นะชีวิตของเรานะบางขณะก็สุขกระทุกก็เข้ามาใช่ไหมถ้าไม่สุขก็ทุกมีสองอยา่างถ้าไม่ได้ก็เสียใช่เฉยไม่ได้ไม่เสียมีไหมเอาให้ยนั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะเราเสียหรือเราได้พูดอีกนายหนึ่งนะ สมมติถ้าเราเปิดไฟเนี่ยนะมีสองอย่างคือได้กับเสียยังไงก็ต้องจ่ายค่าไฟอยู่แล้วถ้าเปิดตัก๊กเนี่ยจ่ายอยู่แล้วเสียอยู่แล้ว น, นะถ้าถ้าถ้าประกอบอาชีพการงานปั๊บเนี่ยเออดูเหมือนได้ก็ได้ไปเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็มีสองอย่างอะได้กับเสียอะได้เขาเรียกว่าลาบเสียเขาเรียกว่าเสื่อมลาบถ้าได้ส่วนใหญ่เป็นไงรู้ไหมโลภเกิดถ้าเสีย โทสะเกิดนั้นก็บอกว่าโลกเนี่ยโลกธรรมเนี่ยครอบงําโลกโลกตไปตามโลกธรรมพระอรหันเนี่ยท่านอยู่เหนือโลกเพราะอะไรเพราะไอความยินดีในโลกท่านละแล้วความยินร้ายในโลกท่านก็ละแล้วเพราะท่านรอบรู้โลกหมดแล้วท่านจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้จักโลกอย่างแจ่มแจ้งหมดแล้วนี่นะ ลาบยศนินทาสารเสริญก็เหมือนกันพระอรหันต์เนี่ยใคร่ควรวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรที่ท่านไม่ได้ใค ร, คร่ครวญเพราะอะไรเขาจึงเรียกว่าลาบเพราะอะไรเขาจึงเรียกว่าสารเสริญเพราะอะไรเขาจึงเรียกว่านินทาสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุใดเกิดจากสมุทฐานไหนเกิดจากปัจจัยอะไรท่านวินิจฉัยใคร่ครวญละเอียดละออยอย่างถี่ถ้วนท่านจึงละกิเลสได้ถ้าท่านไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้จริงๆนะท่านละกิเลสไม่ได้หรอก โลกกระทำฝ่ายดีขอให้รู้ว่าหมายถึงโลภะนะโลกกระทำฝ่ายเสียให้รู้เธอว่าหมายถึงโทสะเนี่ยนะเช่นสุขสารเสริญได้ลาบมียศชาวนะที่รับสิ่งนั้นก็เป็นโลภะถ้าได้รับนินทาได้รับความทุกข์เสื่อมยศพวกนี้ขอให้รู้เถอว่าชาวนาเป็นไปกับโทสะ พาละหันอยู่เหนือโลกกระทำแต่ว่าโลกธระทเหล่านี้พราละหันประชุมลงอริยสัจหมดแทงตลอดหมดต่อไปนะสัตววาต้าเก้าโลก9้าคือสัตววาต้เก้าที่จริงวิญญาณทิติเจ็ดแล้วนะบวกอสัญญาสั์เข้าไปอีกหนึ่งบวกเนวสัญญานาสัญญายตนาเข้าไปอีกหนึ่งจากเจ็ดเพิ่มอีกสองเป็นเกประชุมลงอริยสัจให้ได้เหมือนกันทีนี้โลกสิบคือยตนาสิบ คืออายตนะคือตากับสีอายตนาคือหูกับเสียงอายตนะคือจมูกและกลิ่นอายตนาคือลิ้นและรสอายตนากายกับโภธพภะเอาแค่สิบอย่างนี้เอาถามว่ามโนกนธรรมะทาไมไม่เอาเพราะมีโลกุตระอยู่ในนั้นด้วยก็เลยไม่นับตรงนี้ไม่นับ น, นะเพราะฉะนั้นเอาแค่อายตนาสิบตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโภธพภะอายตนาสิบ ประชุมมาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดลงอริยสัจประชุมลงอริยสัจนะอายตนะอายตนะสมุทัยอายตนะนิโรธอายตนะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อต่อไปอายตนะ12องายตนะ12ก็คือตาหมู ก, กับกลิ่นเกิดขานวิญญาณก็สลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณก็นับไปสากายกับโพธภาภะเกิด พโลกุตระก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมพ้นโลกอายตนา12นี้พระองค์ก็ทรงแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์จึงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกคือประชุมสิ่งเหล่านี้ลงอริยสัจได้หมดเกลี้ยงเลยทีนี้โลก18ได้แก่อายตนา18จากขุทาตุรูปธาตุจากขุวิญญาณธาตุตากับสีเกิดจากขุวิญญาณสามเลยนะ หูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณ3แล้จะโม ก, กับกลิ่นเกิดขานวิญญาณก็3ลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณก็นับไป3ามกายกับโพธาพะเกิดกายวิญญาณก็นับ3 ม, มโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณก็นับอีก3 3 ม, มคูณหเท่ากับ18บแปดในขั้นตอนโลก18ถ้ารู้จริงสิ่งเหล่านี้ก็ต้องประชุมลงอริยศาสตร์อีกแน่เลย ธาตุธาตุสมุทัยธาตุนิโรธาตุนิโรธาคามินีปฏิปทาโอเออริยศัตมาพากันน่าดูเลยนะผ่าขนาดนี้ก็ยังใครใครใครไม่เข้าใจมั้งอย่างงี้ยนะเงียบแสดงว่าเข้าใจกันหมดเข้าใจหมดแล้ว <laughs> ลักตาภูไม่ก่อนเนาะ พระ อ, องค์แสดงบอกบุคคลไม่ใช่ไปเป็นบัณฑิตเพราะนิ่งก็หาไม่แต่ก็ไม่ได้เป็นบัณฑิตเพราะพูดมากนะทําไงอ่ะพวกบุคบคลที่เข้าใจจริงๆนี่ยแหละเดี๋ยวจะเป็นบัณฑิตบอกว่ายังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้อสักวันหนึ่งเธอหน้านะคือให้ได้เชื่อไปก่อนเพราะคําสอนเหล่านี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยพระปริยัติธรรม ถ้าเราจําชื่อได้แม่นยําและเอาชื่อเหล่านี้ไปใคร่ครวญตามนะเอาไปใคร่ครวญธรรมะเนี่ยเป็นสัจจะจะทนต่อการเพ่งนะถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจะทนต่อการเพ่งจะทนต่อการพิสูจน์เอาไปวินิจฉัยเอาไปใคร่ครวญได้เพราะฉนนั้ถ้าหากว่าธรรมะที่ทนต่อการเพ่งเมื่อไปพิจารณาตามตรึกตามตรองด้วยใจ ก็จะเกิดฉันทะเกิดอุตสาหะเกิดการไข่ควรวนต่อไปฉะนั้นความจํานี้นะจะไปเกื้อกูลต่อสติขอให้เราเข้าใจให้ถูกต้องก่อนทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องก่อให้เกิดสัมมาปฏิบัติได้เนี่ยนะเพราะว่ า, าการวินิจฉัยแบบนี้เท่ากับเรียนรู้สัจจะประเภททุกขสัจ เรายัางเรียนทุกขสัตว์ถ้าโยงไปหาข้อปฏิบัตินะ่ะข้อปฏิบัติเป็นมรรคสัตว์เห็นไเพราะฉะนั้นทุกขสัตว์ถ้าเรายังรู้ไม่เพียงพอก็แสดงว่ารู้สมุทยัทยสัตว์ไม่ได้เมื่อรู้สมุทยัทยสัตว์ไม่ดีก็รู้โลกรู้นิโรธสัตว์ไม่ดีเมื่อรู้หนึสองสาไม่ดีนะข้อที่4คือมรรคสัตว์ก็ไม่บริบูรณ์อันก็จะมีสายสัมพันธ์ต่อไปอีก แต่ก็ขอให้ฟังแล้วก็ทรงจำไม่ได้เอาไปคข้ครวนการฟังการเข้าใจแล้วเอาไปใคร้ครูนด้วยศรัทธาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะทรัพย์แบบนี้เนี่ยสะสมไว้เขาบอกว่าถ้าหากว่าสะสมต่อไปมากๆก็จะน้อมไปเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไก็เหมือนกับทำงานเก็บเล็กผสมน้อยไปนั่นแหละการศึกษาพระธรรมก็ลักษณะนั้นแหละ เจ็เล็กผสมน้อยเพราะว่าบุคคลที่จะแทงตลอดอริยสัตว์นี่ก็เหมือนมีความคิดคิดอะไรร้ไมคิดอาจเอื้อมที่จะย่างเท้าลงไปย่างอเวจี v G เขาว่าั้นเอามือนี่เอื้อมไปจับพวะกระพมอ่อานะเขาดงยางนี่เล็กไปนะเขาหิมวันนี่นะเขาดงยางกี่ลูกนะจึงจะเข้าเข้าเขาหิมะพานเลยนะแต่ที่ประเทศอินเดียนะเขานั่นแหละพาปฏิมากเรียกเรียกว่าทัศ พระนิพพานเห็นอริยสัตว์ครั้งแรกก็โสดาปฏิมักก็บอกว่าโหโสดาปฏิมัคที่เกิดขึ้นนะยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยพ้นอบายทุกติวินิบาตนรกหรื อ, อยังพระโสดาบันพ้นจากอบายทุกติวินิบาดนรกพระโสดาบันเที่ยงแทนแน่นอนที่จะเป็นพระอรหันต์ต่อไปในภายภาคหน้าทุกของพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับเจเมล็ดพันธุ์พกาัด ทุกของปุถุชนเหลือเท่าภูเขาหิมะวันนะเขาดงยางนี่เล็กไปนะเขาหิมะวันเนี่ยนะเขาดงยางกี่ลูกนะจึงจะเข้าเขา้าเขาหิมะพานเนลยนะแต่ที่ประเทศอินเดียนะเขาเนี่ยแหละก็ใหญ่จริงๆเนะี่ยเขาลูกนั้นแะ่ะนั่นแหละมันก็บอกว่าทุกขของปุถุชนเนี่ยเหลือเท่านั้นแหละไม่รวมจบเมื่อไรแต่ทุกของพระโสดาบันก็เจ็ดเมล็ดพันธุ์ผักกาด ปัาหากว่าเราเข้าถึงคำสอนเหล่านั้นได้ก็สบายแล้วอย่าลืมว่าพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่มั่นคงในพุทธคุณธรรมคุณมั่นคงในสังฆคุณศรัท ธ, ธาของพระโสดาบันเรียกว่าอาจริศรัทธาศรัท ธ, ธาไม่หวั่นไว้ในคุณของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไว้ในคุณของพระธรรมไม่หวั่นไว้ในคุณของพระอริยสงฆ์พระโสดาบันเห็นอริยสัจ นะแล้วพระโสดาบันสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยศีล น, นะแต่สำคัญที่สุดก็คือเห็นอริยสัจและมั่นคงไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าอันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็สบายแล้วอันการศึกษาของเราก็เพื่อหล่อเลี้ยงศรัทธาเป็นต้นไปนั่นเองบางคนบอกโอยถ้าหากว่าตมาใจร้อนนะยมเอามาเล็ดพัมล็ดพันขนุนมาให้เลยเม็ดหนึ่งบอกท่านพันนี้พันดีนะ เอาไปปลูกเถอะมาก็เอามาเลยใช่ไหมมาปลูกเอาฝังลงไปในดินแล้วก็รดน้ําครั้งหนึ่งโยมมาจาังหันพุ่งนี้มาอาหารส่งอาหารพุ่งนี้อ้าวโยมขนุนโยมยังไม่งอกเลยนะวันเดียมจะไปงอกอะไรนะอีกอาทิตย์หนึ่งมาใหม่โอมขนุนโยมนี่เพิ่งงอกมาหน่อยแล้วเมื่อไหร่จะได้กินลูกขนุนเนี่ยโอ้ยมันก็คุยกันเป็นปีๆอ่ะเนาะมันจะไปสองวันไม่ได้เสกเอาไม่ใช่เปล่าเอานี่ แม้ก็มาเสกถ้าหากว่าเศกมันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆหมาทุกคนก็ทําเรียนวิชาเศกกันหมดนะมันต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอะไรให้มันเหน็ดเหนื่อยอะไรเราเป่าพุดอย่างเดียวร่ํารวยกันหมดเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกฉะนั้นการศึกษาประทำคําสอนก็เหมือนกันปลูกฝังเขาเรียกอะไรนะเคยได้ยินนะพุทธทางกูนน่ะพุทธะเนี่ยก็คือผู้รู้อริยสัจใช่ไหอังกุระนี่แปลว่าแปลว่าอะไรมาฮังกุระเนี่ย อังกูลอังกุระังกุระแปลว่าอะไรอ่าแปลว่าหนอนะพุทางกูลเนี่ยเขาเรียกว่าหนอแห่งพุทธะพุทธะคือการตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมเนื้อหนอแห่งผู้ตรัสรู้อริยสัจจะใช้เวลาสองวันได้ฟังแล้วมีสัทธามเงี่ยโสอลงสดับชื่อว่ามีอุปนิสัยแล้วนะแต่ถ้าหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วไม่เงี่ยโสอดไม่ลงสดับไม่ตั้งใจเป็นต้นแสดงว่าเราไม่มีอุปนิสัยใช่แต่เลิกไม่ได้ไม่มีอุปนิสัยเนี่ยไม่รู้อ่าถ้ารีบ เรียบก็ลืมนะเพราะว่าไม่รอบคอบแต่ถ้าเลิกเสียหายแล้วเพราะนั้นความพอดีต้องหาให้พบเพราะพระองค์แสดงปัญญาบารมีแล้วต่อด้วยวิริยะบารมีวิริยะแล้วก็คนที่มีความเพียรพยายามต้องมีขันติรอได้คนที่ขันติก็คือสามารถเจริญต่อไปอย่างไม่เลิกไม่ราอันนั้นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราได้ยินได้ฟัง แล้วมีศรัทธาเงี่ยโสดลงสดับชื่อว่ามีอุปนิสัยแล้วนะแต่ถ้าหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วไม่เงี่ยโสดไม่ลงสดับไม่ตั้งใจเป็นต้นแสดงว่าเราไม่มีอุปนิสัยเมื่อไม่มีอุปนิสัยเนี่ยไม่รู้จะพ่ออะไรลงที่ไหนดังนั้นอุปนิสัยที่ ท, ที่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะอุปนิสัยเหล่านี้เนี่ยชื่อว่าเป็นคนมีบุญนะ้ ถ้าเป็นคนมีบุญในลักษณะนี้แล้วต่อไปพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะแสดงธรรมตามอัธยาศัยของเขาเพราะเขาปลูกฝังผู้ทางกูลเขาเรียกว่านอแห่งผู้รู้เอาไว้ในจิตในในขันธสันดานและทีนี้ถ้าหากว่าชาตินี้ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมชาติ ต, ต่อไปเป็นต้นพระพุทธเจ้ารู้อัธยาศัยเลยอ้าวเจ้านี้ศึกษาพุทธคุณมามากอ้าวแสดงพุทธคุณเลยเกิดปีติเกิดปรามโมทย์ฟังแล้วก็บรรลุธรรมเลย นี่ถ้าไม่เคยปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณมาใครพูดเรื่องพุทธคุณให้ฟังเอ้ยไม่ค่อยเพาะนะไม่ค่อยดีไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกเลยว่างั้นถ้าสะสมมาในเรื่องใดเราก็จะฟังในเรื่องนั้นง่ายถ้าไม่เคยสะสมมาเลยละ่ะก็ยากอา่าถ้าไม่สะสมวันนี้จะไปสะสมเมื่อไรเนี่ยนะเรากินข้าวผัดไปก่อนนะสามเณรเขาว่า ง, งั้นผมเนี่ยฉันข้าวผัดอย่างไนี้็ว่าวผัดวันประกันพุ่งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอถ้าผัดวันก็ไม่ไหวแล้ว เกี่ยวกับเรื่องขันทโลกเนี่ยนะขันทโลกหรือว่าโลก1โลก2โลก3โลก4ีโลก5โลก6โลก7โลก8โลก12แล้วก็โลก18แและประชุมโลกเหล่านี้ทั้งหมดลงอริยสัจเป็นสิ่ง